เรื่องพระทารุจิริยะเทระพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารภพระทารุจิริยะความพิสดารว่าในการหนึ่งมนุษย์ล่นเรือไปในมหาสมุทรเมื่อเรืออับปางมีบุรุษคนหนึ่งกระเสือกกระสนสู่ฝั่งรอดชีวิตพานุ่งไม่มีเอาใบไม้ห่อพันกายถือกระเบื้องขออาหารเลี้ยงชีวิต ชนทั้งหลายเห็นแล้วคิดว่าผู้นี้คงเป็นพระอระหันต์แล้วให้ข้าวและน้ำเขาคิดว่าถ้าจากนุ่งหม่มลาบสักการะของเราจากเสื่อมจึงไม่นุ่งผ้านุ่งแต่เปลือกไม้เท่านั้นเขาถูกชนทั้งหลายกล่าวให้เป็นพระอระหันต์เขาเกิดปริวิตกแห่งใจขึ้นว่าพระอระหันต์ในโลกเราใด้เราหนึง่งบรรดาพระอระหันต์เหล่านั้นเราก็เป็นพระอระหันต์องค์หนึ่ง ครั้งนั้นเทวดาผู้เป็นสาวโลหิตของเขาในการก่อนคือเทวดาสหายเก่าซึ่งสำเร็จอนาคามีแล้วอยู่ในเทวโลกได้ทราบเรื่องความเห็นผิดของพาหิยะจึงสลดสังเวชมาปรากฏตักเตือนให้กลับใจข้อว่าผู้เป็นสาวโลหิตในการก่อนคือผู้กระทาสมณธรร ม, ม, ร, ร, มร่วมกันมาในครั้งก่อนเมื่อศาสนาของกัสสปะสัมมาสัมพุทธเจ้า มีภิกษุเจรูปเข้าสู่ป่าขึ้นภูเขาลูกหนึ่งพาดบันไดแล้วผลักบันไดทิ้งด้วยไม่อลัยชีวิตราตรีเดียวพระสังฆเทระรูปหนึ่งบรรลุอรหัตนำบิณฑบาตมาแต่อุตรากุรุทวีปแต่ภิกษุที่เหลือไม่ยอมฉันวันที่สองพระเทระองค์ที่สองบรรลุอนาคามิผลและนำบิณฑบาตมาแล้วภิกษุที่เหลือก็ไม่ยอมฉันเหมือนกัน ภิกษุบรรลุอรหัตปริณิพานแล้วภิกษุผู้อนาคามีไปบังเกิดบนโรมโลกภิกษุที่เหลือห้ารูปไม่อาจยังคุณวิเศษให้เกิดขึ้นได้ภาย้อมแล้วกระทากาละตายบังเกิดในเทวโลกจุติจากเทวโลกมาบังเกิดในมนุษย์ในพุทธุบาติการนี้คนหนึ่งเป็นพระราชาชื่อปุ ก, กุสาติคนหนึ่งเป็นกุมารากัสปะเทระ คนหนึ่งเป็นพระทัพพระมละบตทคนหนึ่งเป็นปริภาชกชื่อสัพยะและคนหนึ่งคือพาหิยะทารุจิริยะในบัดนี้ดังนั้นบรรดาเทวดาผู้เป็นสาโลหิตในการก่อนจึงหมายเอาถึงภิกษุผู้นาคามีที่ไปเกิดเป็นเทวดาบนพรหมโลกองค์นั้นพรหมนั้นได้ปริวิตกแล้วสลดสังเวทใจจึงลงมาเตือนว่า ภาหะท่านไม่ใช่พระอรหันต์หรอกถึงแม้ปฏิปทาของท่านจะบรรลุอรหันต์ก็ยังไม่มีจึงถามมหาพรหมว่าเดี๋ยวนี้พระอรหันต์มีอยู่หรือเปล่าครั้งนั้นเทวดาเท้ามหาพรหมได้บอกแล้วให้ไปนครสาวัตถีในชนบทอุดรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่นั่นทรงเป็นอรหันต์และทรงแสดงธรรมให้เป็นพระอรหันต์ด้วย กุมารักษสปะและปริพาชคชื่อสภิยะเมื่อบวชแล้วก็ได้รับคำแนะนำจากเทวดาสหายผูกปัญหาไปทูลถามพระพุทธเจ้าบรลุธรรมก็ด้วยเทวดาองค์นี้เหมือนกันพาฮิยะไปเฝ้าพระศาสดาเดินทางเพียงราตรีเดียวจากท่าเรือสุปรารกะไปถึงนครสาวัตถีประมาณ120โยชน์ด้วยอำนาจอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าและเทวดา ขณะนั้นพระสาสดาทรงบินทบาทพะยะคิดว่าตัวเองไม่รู้วันตายของตนหรือของพระสาสดาจกมีเมื่อไหรจึงไม่ยอมหยุดไม่ยอมนั่งถ้าเห็นพระสาสดาก่อนจึงจะพักเหนื่อยพะยะเร่งร้อนเข้าไปน้อมตัวถวายบังคมด้วยเบญจางคประดิษฐ์ในระหว่างกลางถนนจับข้อพระบาททั้งสองไว้แน่นแล้วกราบทูลอย่างนี้ว่าพระเจ้าค่ะขอพระผู้มีพระภาค จงทรงแสดงธรรมแก่ข้าพระองค์ขอจงแสดงธรรมอันจะพึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ข้าพระองค์สิ้นกาลนานเทินลำดับนั้นพระศัสดาทรงตรัสห้ามว่าการนี้เป็นการบินทบาทมิใช่การเวลาแสดงธรรมพายยะทูลอ่อนวอนถึงสามครั้งพระศัสดาทรงเห็นว่าพาิยะอันปีติท่วมทับปีติมีกำลังถ้าฟังธรรมจกไม่อาจบรรลุได้ ปีติเป็นอุปกิเลสวิปัสนูปกิเลสและเป็นหนึ่งในองค์ชาลทรงรอเวลาให้เข้าตั้งอยู่ในอุเบกขาคือความมัธยัดก่อนความกระวนกระวายนั้นจงระ ง, งับเสก่อนทรงเห็นว่าความกระวนกระวายระ ง, งับแล้วจึงทรงตรัสสอนว่าพาหิยะเธอพึงศึกษาอย่างนี้ว่าเมื่อเราเห็นรูปรู จักเป็นเพียงเราสักแต่ว่าเห็นเป็นต้นพาหิยะนั้นกาลังฟังธรรมนั่นแหลอย่างอาศวะให้หมดสิ้นไปบรรลุอรหัตพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาสีแล้วทูลขอบรรพชาทรงตรัสถามว่าบาตรและจีวรของเธอมีครบแล้วหรือยังเธอจงแสวงหาบาตรและจีวรก่อนแล้วเสด็จหลีกไปท่านพาหิยะนั้น ในอดีตชาติแม้กระทำสมณธรรมคือปฏิบัติธรรมมาสิ้นสองมืนปีไม่เคยให้บาตรหรือจีวรแม้ภิกษุรูปหนึ่งบาตรและจีวร อ, อันพึงสำเร็จด้วยฤทธิ์จึงไม่เกิดขึ้นจึงไม่ได้รับเอหิภิกขุอุปสัมปทาพาหิยะแสวงหาบาตรและจีวร อ, อยู่นั่นแหลยากินีตอนหนึ่งมาด้ยวยรูปแห่งแม่โคโนมคือแปลงกายเป็นแม่โคโนม คิดถูกตรงขาอ่อนข้างซ้ายให้ถึงสิ้นชีวิตเรื่องนี้เพราะว่าเคยทำอากุศลกรรมได้ร่วมกันสี่คนกับปุกุสาติสุปปะพุท ธ, ธกุฏิและตามพธัาธิกะทั้งสี่คนนั้นได้ร่วมกันฆ่าโสเพนีชิงซั์นางตายด้วยความอาฆาตและได้เกิดเป็นนางยาักษ์ีผีร้ายแปลงเป็นแม่โมคมะคิดตายทั้งสี่คน พระศาสดาให้นำสรีระเผาและวทำสถูปไว้ทรงแต่งตั้งไว้ในเอตาทัคคะเป็นผู้เลิศกว่าสาวกทั้งหลายในการตรัสรู้เร็วคือคิปปาพิญยาในการที่เขาฟังธรรมของเราตถาคตขณะกำลังเที่ยวบินธบาตอยู่ในระหว่างถนนมีประมาณเล็กน้อยยังคุณวิเศ ษ, ษให้เกิดขึ้นแล้วเธอทั้งหลายอย่านับธรรมของเราว่าน้อยหรือมาก จึงทรงตรัสเป็นพระคาถาว่าหากว่าคาถาแม้พันหนึ่งไม่ประกอบด้วยบทอันเป็นประโยชน์สู้บทแห่งคาถาบทเดียวซึ่งบุคคลฟังแล้วสงบระงับได้คือนิพพานประเสริฐกว่าในเวลาจบเทศนาจนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโซดาปฏิผลเป็นต้นดังนี้และ หมายเหตุผู้อา่านสำหรับสำนวนคำว่ายักษินีแปลงเป็นโคนั้นถ้าจะให้เข้าใจง่ายและเป็นไปได้จริงควรแปลว่าเข้าสิงโคนะครับถ้าสนใจเรื่องพวกนี้ว่าอบปฏิกะเทวดาผีเปรตหรือที่คนทั่วไปเข้าใจและ เ, เรียกกันว่าวิญญาณนั้นสามารถเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันในแต่ละระดับได้อย่างไรมีอิทธิพลต่อคนและสัตว์ได้ในบางกรณีอย่างไรนั้น ขอแนะนำให้ลองไปฟังเรื่องแววเสียงสวรรค์ที่อัดเสียงไว้แล้วนะครับแล้วเรื่องที่ว่าเทวดามาเตือนนั้นหลายท่านก็อาจจะไม่เชื่อของพวกนี้ใครไม่เจอก็คงไม่เชื่อนะครับแต่ผู้อ่านเองมีประสบการณ์ตอนวัยรุ่นจะฆ่าตัวตายและได้ปรากฏชาชารานุ่งขาวห่วมขาวถือไม้เท้าเป็นใบหน้าที่ใจดีที่สุดเท่าที่เคยพบมานะครับท่านมาบอกว่าให้อยู่ต่อไปทาความดีไปเรื่อยเดี๋ยวช่วงชีวิตหนึ่ง จะมาเอาไปอยู่ด้วยผู้อ่านเองได้เจอมาตั้งแต่ยังไม่ได้นับถือศาสนาพุทธนะครับนั่นก็เลยเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้สนใจในศาสนาและเข้ามาศึกษาอย่างจริงจังจนปัจจุบันได้เข้ามานับถือศาสนาพุทธและทํางานเผยแผ่ธรรมมาจนถึงทุกวันนี้จริงๆแล้วยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่ผู้อ่านเองได้เจอมาทั้งเรื่องที่เจองูตัวใหญ่มีหนวดเลือ้อยมาขู่แทบหน้าจะชนหน้าตอนเด็กๆตอนนั้นก็เพื่อปลาไม่ให้เห็นแก่ตัว ที่ไม่ยอมเอาแตงโมไปแบ่งกับพี่พี่กินนะครับไม่แอบนั่งกินคนเดียวบางครั้งขับรถไปนะครับก็เลี้ยวไปซะเฉยเฉยอย่างนั้นแหละแต่พอหันกลับไปทางที่จะไปก็เห็นล้อรถออกมากระเด่งอยู่กลางถนนตอนขับมอเตอร์ไซค์รถกําลังจะล้มนะครับก็เหมือนมีใครมาพยุงขึ้นยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่เจอมาล้วนแต่พิสดารทั้งนั้นเป็นสิ่งที่เกินวิทยาศาสตร์จะอธิบายได้และผมก็เชื่อว่าไม่ใช่ว่าใครก็จะได้เจอ เรื่องพวกนี้เป็นเรื่องที่พูดไปก็ยากจะมีคนเชื่อนะครับแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติและมีบา ร, รมีถึงจริงได้พบเจอได้สัมผัสจริงโดยที่ไม่ได้มโนไปเองหรือเป็นพวกโรคจิตที่เกิดจากเพอ้อฝันไปเองก็คงจะเข้าใจได้โดยง่ายนะครับและสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่ผมได้เจอมามันก็เป็นประโยชน์อย่างมากในการที่ทาให้เชื่อเรื่องกฎแห่งกรรมเรื่องพกชาติเรื่องเหนือมิติอีกมาก ที่พอเกิดศรัทธาแล้วศึกษาอย่างจริงจังก็เข้าใจคำสอนในพระพุทธศาสนาได้โดยง่าย